ซึ่งพระองค์ก็ตอบว่าดูก่อนอานน์เทวดาในหมื่นโลกธาตุโลกธาตุแปล ว, ว่าจั ก, กรวาลเนี่ยนะเทวดาที่มาในหมื่นจั ก, กรวาลมาประชมกันโดยมากที่มาก็มาเพื่อจะเห็นตถาคตเมืองกุเสนาราสารวันก็คือป่าสาระเป็นที่แวะพักแห่งมรลกษัตริย์เพียงใดโดยรอบถึงประมาณ12โยชน์เนี่ยนะ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 ข้างหน้าแห่งเทวดา10องค์นั้นบางทีก็มีเทวดา20องค์ข้างหน้าเทวดา20องค์ก็มี30องค์ข้างหน้าเทวดา30องค์ก็มี40องค์ข้างหน้า40ก็เป็น50ข้างหน้า60ก็มี60เนี่ยนะโอ้เทวดายัดเยียดอยู่โ น, น้นเทวดาเหล่านั้นเบียดเบียนกันและกันด้วยฝ่ามือหรือผ้านะที่มีเหตุจะกล่าวว่าออกไปอย่าเบียดเบียนเรา ดังที่พระองค์ตรัสว่าเทวดาทั้งหลายก็เป็นสารีบุตรเทวดาเหล่านั้นแลบางองอ่ะนะ บ, บางแห่งก็อยู่สิบองค์ยี่สิบสามสี่บห้าบกยืนในโอกาสแม้เพียงปลายเหล็กแหลมจดกันไม่เบียดเบียนกันและกันไออยู่ยัดเยียดเรียกว่าชั่วปลายเข็มเนี่ยนะชั่วปลายเข็มเย็บผ้าเนี่ยก็ไม่มีใครเบียดเบียนใครเนี่ยนะอยู่ได้กันถึง60องค์อยู่ได้ถึง60องค์เนี่ย เรียกว่าพวปลายเข็มนี่เป็นห้องประชุมใหญ่เลยว่างั้นห้องประชุมใหญ่ที่มีความจุสูงมากแต่ท่านเหล่านั้นไม่เบียดเบียนกันและ ก, กันเลยยันนี้เทวดาเหล่านั้นเขาก็บอกว่าทําไมจึงมองพระอาหารหันต์พระอุปบาลนณะเทระทะลุไปไม่ได้อ่ะน่าจะมองทะลุไปเลยใช่ไหมเทวดาสัอย่างนะ น, น่าจะมองทะลุเห็นพระพุทธเจ้าไปเลย จริงๆแล้วท่านบอกว่าพระเทรรนนี่รูปร่างใหญ่เช่นกับลูกช้างเหมตัวใหญ่มากผมผ้าบางสกุลก็ยิ่งดูใหญ่มากขึ้นเลยนะคือพระเนี่ยจริงๆแล้วบางทีเนี่ยถ้าหาผ้านนหนามาห่มนะตัวจริงๆอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ผ้าที่ห่มคลุมเนี่ยมันก็คลุมไปหมดทั้งตัวใช่ไหก็ดูใหญ่มากเลยเสร็จแล้วเทวดาเหล่านั้นก็เลยเพ่งโทโอ้มาตั้งไกลามากเพื่อจะเห็นก็ไม่ได้เห็น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 เอาองค์อื่นๆก็เป็นพระอาหารท่านไม่มีอำนาจเหมือนพระอุปวานะนี่หรือตอบว่าเพราะอดีตชาติท่านเคยเป็นอารักษเทวดาเทวดาที่รักษาเจดีของพระกัสปะสัมพุทธเจ้าอดีตชาติเนี่ยนะท่านเป็นเทวดาดูแลเจดีนะเทวดาที่อุปถากคเจดีเนี่ยนะได้ยินว่าเมื่อพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานเมื่อเก้าบกัปที่แล้วเนี่ยนะ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 นะั้นมีแท่งเดียวทั้งเดียวไม่มีการกระจัดกระจายเมื่อพระธาตุไม่กระจัดกระจายคนทั้งหลายก็นําพระสรีรธาตุนั้นสร้างเจดีย์สูงหนึ่งยอพราหมณ์นั้นเป็นอารักษเทวดาในพระเจดีย์นั้นเป็นเทวดาที่รับอาสามาดูแลเจดีย์นี่นะเป็นเทวดาที่มีอํานาจมากเลยนะเมื่อพระศาสดาอันตรทานไปก็บังเกิดในสวรรค์หมายความว่าเมื่อศาสนาอันตรทานไปพระธาตุ กระจายไปไม่เหลืออยู่ในโลกแล้วท่านก็จุติจากอารักเทวดาก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจ่าตุม่มอยู่ในสวรรค์ น, นั้นอนะเวียนอยู่ในสวรรค์จนถึงปฏิสนธิในตระกูลใหญ่ตอนหลังออกบวชแล้วก็บรรุเป็นพระอรหันในสมัยของพระพุทธเจ้าของเราเพราะฉะนั้นพร ะ, ะเถระบุญเก่าที่ท่านเคยเป็นอารักเทวดาดูแลเจดีย์นั้นแหละทําให้ท่านเป็นผู้มีอํานาจมากด้วยประการชนนี้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 อะไรสามารถที่จะทําได้อย่างที่ปรารถนาเนี่ยนะพันเทวดาเหล่านั้นเนี่ยนะก็เลยถามว่าเทวดาเหล่านั้นนะที่มาเพื่อจะเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเทวดาเหล่านั้นทําไว้ในใจอย่างไรพระนอะพะองค์ก็ตอบว่าอานน์มีเทวดาบางพวกสําคัญอากาศว่าเป็นแผ่นดินสยายผมประคองแขนทั้งสองคล้ำ ค, ครวนอยู่แล้วก็ล้มกลิ้งเกลือกไปมา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 เขารู้พระพุทธคุณเนี่ยนะเนื่องจากเขาทราบซึ่งในพระพุทธคุณถึงพักวาว่าพระองค์ผู้ที่ทําลายราคะโทสะโมหะเป็นต้นได้แล้วพระองเป็นพระสุคตเสด็จไปดีแล้วเสด็จไปเพื่อประโยชน์สุขแก่สรรพสาตัตว์พระองค์ผู้มีจักสุคือมีพุทธจักมีทิพจักสุสมันตะจักสุญาณนะจักสุธรรมะจักสุเนี่ยนะพระองค์ผู้เป็นจักสุ ข, ของโลกผู้ให้จักสุพระองค์จักปรินิ พ, พานแล้วก็วเลย ร้องให้ข้าครวนบนเพิ่เหมือนคนเท้าขาดเนี่ยนะเทวดาบางพวกสําคัญแผ่นดินว่าเป็นแผ่นดินสยายผมประคองแขนทั้งสองข้าครวนอยู่ล้มลงติ้งเกลือกไปมาเหมือนคนเท้าขาดแล้วก็รำพันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจักปรินิพานเสียเร็วนักพระสุคตจักปรินิพานเสียเร็วนักพระองค์ผู้มีพระจักสุในโลกจักอันตรทานเสียเร็วนักดังนี้เนี่ยนะ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 ท่านกล่าวว่าสมัยก่อนเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยพระพิโสทั้งหลายเนี่ยจะมีการประชุมกันสมัยพุทธกาลนะพอออกพรรษาแล้วก็จะมาประชุมกันคือมาประชุมกันเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ เ, เพื่อที่จะฟังโอวาทฟังคําแนะนำํำที่จะปฏิบตัติต่อไปในหน้า4ี่ยยี่้าย่อหน้าล่างบอกว่าบทว่าวัดสังวุฏฐาความว่าได้ยินว่าในครั้งพุทธกาลพระพิโสประชุมกันประมาณสองครั้ง สครั้งก็คือว่าหนึ่งโจรเข้าพรรษาเพื่อรับกรรมฐานหมายคําว่าก่อนจะเข้าพรรษาท่านเหล่านั้นก็มาขอรับกรรมฐานจากพระพุทธเจ้ามาขอฟังธรรมมาขอคําแนะนําเกี่ยวกับข้อปฏิบัติทั้งหลายอย่างที่สองเมื่อออกพรรษาแลว้วก็กลับมาเพื่อบอกคุณนะวิเศษที่บังเกิดเพราะการประกอบเนื่องๆซึ่งพระกรรมฐานที่ได้รับมาหมายคําว่าศึกษาร่ําเรียนคําสอนข้อปฏิบัติจาก พุทธสำนักแล้วไปปฏิบัติได้รับบรรลุมรคผลมีโสดาปฏิผลเป็นต้นก็กลับมารายงานเล่าให้พระองค์ฟังว่าไปพระพืชปฏิบัติแล้วได้ผลเช่นนี้เช่นนี้เนี่ยนะ